บทที่ยี่สิบสองถูกผ่าตัดบ่ายวันอาทิตย์ลูกชายของนายธนาคารก็นำเพื่อนสองคนซึ่งเป็นศัลยแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชมาขอผ่าตัดนารีผลท่านพระครูไม่ต้องการให้เขาทำเช่นนั้นเพราะท่านเห็นโดยไม่ต้องผ่าออกดู จึงพูดบ่ายเบียงว่าอย่าพ่าเลยคุณหมออาตมารับรองได้ว่าเขามีทุกอย่างเหมือนกับมนุษย์ผิดกันอยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องกลิ่นถ้าคุณหมอผ่ามนุษย์ก็มีกลิ่นคาวเลือดแต่นารีผลไม่มีกลิ่นคาวมีแต่กลิ่นหอมอบอวลเพราะเขาเป็นผลไม้กายสิทธิ์ที่พระอินทร์เนรมิตขึ้นเมื่อสามหมื่นกว่าปีมาแล้ว ท่านพยายามอธิบายแม้รู้ว่าคนฟังไม่ได้เชื่อทั้งหมดในสิ่งที่ท่านเล่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะพวกเขาไม่ได้มีประสบการณ์ตรงเหมือนเช่นท่านยิ่งหลวงพ่อพูดอย่างนี้พวกผมก็ยิ่งอยากผ่าออกดูจะได้พิสูจน์กันให้เห็นจะจะไปเลยหมอหนุ่มพูดแล้วอาตมาจะพูดอย่างไรจึงจะทาให้คุณหมอไม่อยากพาละ่ะท่านถามความเห็นจากหมอสัน ทั้งสองหลวงพ่อจะพูดอย่างไรพวกผมก็จะขอผ่าครับหลวงพ่อได้โปรดอนุญาตให้เราสองคนได้พิสูจน์ตามหลักวิชาการที่เรียนมาด้วยเถอะครับวิชาที่คุณหมอเรียนมามีการผ่า น, านารีผลด้วยหรือคราวนี้ท่านป้อนด้วยคำยวนในแพทย์สองคนมองตา ก, กันและคนหนึ่งก็ตอบว่าไม่มีครับท่านพระครูได้โ อ, อกาสจึงลุกอีกว่า ในเมื่อไม่มีแล้วคุณหมอจะผ่าไปทำไมกันอย่างน้อยก็น่าจะเกรงใจพระอินทร์ท่านบ้างท่านคิดว่าพูดอย่างนี้จะเป็นผลดีที่แยบยนจนคนเป็นหมอต้องยอมท่านหากผิดคาดเมื่อแพทย์หนุ่มพูดขึ้นว่าถ้าหลวงพ่อห่วงเรื่องนั้นก็หายห่วงได้เลยครับเพราะพระอินทร์องค์ที่นารมิตต้นนารีผลไวสิบหกต้นนั้นท่านไม่อยู่แล้วส่วนพระอินทร์องค์ปัจจุบัน ท่านคงไม่รู้เรื่องหรอกครับท่านพระครูหารู้ไม่ว่าสิ่งที่ท่านพูดกลับเป็นปัใจจัยให้ในายแพทย์หาทางออกพบแล้วพระอินทร์องค์ที่เนรมิตต้นนารีผลท่านไปนไหนเสียละหรือว่าท่านปลดกเกษียณคราวนี้สมภารวัดป่ามะม่วงจงใจทดสอบความรู้คนเป็นหมอนายแพทย์หนุ่มรูปหล่อจึงตอบว่าหลวงพ่อครับ พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ชัดเจนมากว่าสรรพสิ่งในจั ก, กรวาลล้วนตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติหรือกฎไตร ล, ลักษณ์คืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตาพูดตามภาษาชาวบ้านว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระอินท่านก็ตกอยู่ภายใต้กฎนี้เช่นกันท่านจึงไม่ได้อยู่คู่จั ก, กรวาลตลอดไป แม้จากกรรวาลเองก็ตกอยู่ภายใต้กฎสามอย่างนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไปหรอกครับท่านเจ้าของกุฏิรู้สึกทึ่งในคาตอบของหมอหนุ่มท่านคิดว่าคนเป็นหมอจะรู้เฉพาะเรื่องของหมอเท่านั้นไม่นึกว่าจะรู้เรื่องธรรมะลึกซึ้งเช่นศารยแพทย์ผู้นี้จึงทดสอบต่อไปว่าอัตมาเข้าใจที่คนหมอพูดแต่อัตมาก็อยากรู้ว่าพระอินทร์ที่ท่านเนรมิตรต้นนารีผลสหต้น ไว้ที่ป่าหีบมะพานเมื่อสามหมื่นกว่าปีมาแล้วนั้นบัตรนี้ท่านไปอยู่เสี้ยที่ไหนคราวนี้ท่านไม่กล้าคิดว่าคนเป็นหมอจะตอบไม่ได้ผมทราบนะครับหลวงพ่อทราบว่าผมกําลังถูกลองภูมิแต่ไม่เป็นไรหรอกครับผมจะพยายามตอบจนกว่าหลวงพ่อจะพอใจและเห็นใจยอมให้ผมผ่านารีผลถ้าเช่นนั้นก็ตอบอาตมามาเพื่ออาตมาจะยอมให้ผ่า ผมก็ต้องตอบยาวสักหน่อยนะครับญาติโยมคงไม่คิดว่าผมใช้เวลาเกินคต้านะครับเขาพูดกับญาติโยมที่มารอถามปัญหาชีวิตไม่เป็นไรจากคุณหมออีฉันก็อยากจะฟังฟังคุณหมอพูดแล้วทำให้อีฉันพลอยได้ฟาร์มรู้ไปด้วยโยมผู้หญิงพูดกับหมอยิ้มกว้างขวางจนเห็นฟันหลอในปากแพทย์หนุ่มรู้สึกเอ็นดูคุณป้า ที่พูดหน้าฟังแม้ว่าฟันจะลอคุณป้าแต่ผมอยากให้คุณป้าได้ความรู้มากกว่าควารมรู้นะครับเขาพูดยาผู้สูงอายุกว่าอีชันถนัดพูดแต่ควารมรู้จ่ะออกเสียงอย่างหมอไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กยกโทษให้อิชันด้วยเธอจะไม่เป็นไรครับคุณป้าผมแค่ล้อเล่นเท่านั้นเอง หมอหนุ่มพูดอย่างใจดีคุณหมอยังไม่ได้ตอบคำถามอาตมาเลยอยากแกล้งทวงเวลาหรือว่าตอบไม่ได้บอกมาตรงๆท่านพลักครือได้โอกาสรุกผมไม่ได้แกล้งทวงเวลานะครับผมตอบคำถามหลวงพ่อได้ผมไม่ได้เป็นชาวพุทธตามทะเบียนบ้านนะครับ ผมศึกษาทั้งพุทธประวัติทั้งพระไตรปิฎกเสียอย่างเดียวยังไม่เคยปฏิบัติธรรมเพราะอาชีพหมอทำให้ผมไม่มีเวลามาปฏิบัติอีกไม่นานคุณหมอก็ต้องมามาที่วัดป่ามะม่วงนี่แหละท่านพระครูพูดเพราะเห็นว่าอินทรีย์ของหมอน่มแล้วที่จะรับธรรมะได้สาธุขอให้เป็นดังที่หลวงพ่อทำนายนะครับ เขายกมือขึ้นประนมพร้อมกล่าวคำสาธุถ้าเช่นนั้นก็ตอบคำถามอาตมาได้แล้วครับผมจะตอบเดี๋ยวนี้แต่ผมลืมแล้วครับว่าหลวงพ่อถามว่าอะไรเขาตั้งใจยั่วท่านบ้างท่านพระครูจึงทวนคำถามให้ฟังอาตมาถามว่าพระอินทร์องค์ที่ท่านเนรมิตนารีผลไว้ในป่าหิ ม, มพานต์จำนวนสิบหกต้น เมื่อสามหมื่นกว่าปีที่ผ่านมานั้นน่ะบัดนี้ท่านไปอยู่เสที่ไหนผมไม่ทราบหรอกครับว่าท่านไปอยู่ที่ไหนก่อนไหนคุณหมอว่าศึกษาพุทธประวัติมาอย่างดียังไงล่ะครับผมศึกษาพุทธประวัติมาอย่างดีแต่ผมไม่ทราบจริงๆครับว่าท่านไปอยู่ที่ไหนทราบแต่ว่าท่านปรินิพานนานแล้วและผมก็ไม่ทราบว่าพระอรหันต์ที่ท่านปรินิพานแล้วท่านจะไปอยู่ที่ไหน ผู้ที่จะทราบได้ต้องเป็นพระอาหารหันครับผมยังเป็นบุทุชนเต็มร้อยพระอินเป็นพระอาหารหันอย่างนั้นหรือผมหมายถึงว่าพระอินองค์ที่ในรมิตรต้นนารีผลนะครับคือเมื่อพระเวสสันดรมาอุบัติเป็นเจ้าชายสิททัต t h พระอินก็มาอุบัติเป็นเจ้าชายอนุรธธุทธะโอรสพระเจ้าอมิตโตทนะ และเป็นพระอนุชาของพระเจ้ามหานามะเจ้าชายอนุรุทธาออกบวชพร้อมเจ้าชายสักยะวงศ์อีกสี่พระองค์ได้แก่เจ้าชายอานนท์เจ้าชายพัทยะเจ้าชายพักคุและเจ้าชายกิมพิละและก็มีเจ้าชายโกรยะวง์อีกองค์หนึ่งคือเจ้าชายเทวทัตนอกจากเจ้าชายทั้งหพระองค์แล้วก็มีนายผูสามาลาอีกคนหนึ่งชื่ออุบาลี รวมเป็นบวชคราวนี้เจ็ดรูปเจ้าชายอนุรุท ธ, ธาเมื่อบวชแล้วก็ได้เรียนกรรมฐานในสำนักของพระสารีบุตรได้บรรลุอรหันต์ที่ป่าป่าจีนวังสะทายวันในแคว้นเจตีพระอนุรุท ธ, ธาเทระได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอตัคธะในทางทิพยจักสุเรื่องราวของพระเทระรูปนี้น่าสนใจมากครับ ถ้าผมเล่าก็เกรงว่าจะใช้เวลามากเกินไปหลวงพ่อยินยอมให้ผมผ่านารีผลหรือยังครับเขาทวงถามท่านพระครูเห็นเขาพูดเข้าทีจึงตอบว่าอัตมาขอไปคุยกับเขาก่อนถ้าเขายอมอัตมาก็ไม่ขัดข้องแต่ถ้าเขาไม่ยอมอัตมาก็จนใจพูดพลางลุกจากอาสนะและเดินขึ้นไปชั้นบนของกุฏิพูดกับนารีผลในพานว่า หมอเขาจะมาขอผ่าตัดนะจะให้เขาพาไหมสาวโสภาสองนางซึ่งนั่งประนมมืออยู่ในพานตอบพร้อมกันว่าผ่าได้เจ้าค่ะแต่อนุญาตให้ผ่าได้ร่างเดียวหลวงพ่อต้องอยายให้เขาผ่าทั้งสองร่างนะเจ้าค่ะทำไมยอมง่ายจริงเห็นเขารอใช่ไหมละ่ะท่านยาวสาวโสภาไม่ใช่เจ้าค่ะ แต่เรารู้ว่าถ้าไม่ยอมพวกเขาบุกขึ้นมาบนนี้แน่คนยุคนี้เขามีแต่ความอยากรู้อยากเห็นแต่ถ้าไม่ยอมปฏิบัติเพื่อทำให้รู้ให้เห็นจริงในสิ่งที่อยู่เหนือผัสสะของตัวเองในอนาคตคุณภาพของมนุษย์จะตกต่ำลงไปกว่านี้อีกเจ้าค่ะพ้นปีสองพันไปแล้วโลกจะเกิดกลียุคปีสองพันที่ว่าเนี่ยเป็นแบบคริส หรือแบบพุทธล่ะท่านพระครูรู้สึกสงสยัยนานๆท่านจะรู้สึกเช่นนี้สักครั้งก็ต้องสองพันแบบคริสเจ้าค่ะปีสองพันแบบพุทธล่วงเลยมาตั้งห้าร้อยกว่าปีแล้วหลวงพ่อไม่น่าความจำสั้นเลยว่าไงนะความจำสั้นแปลว่าอะไรคราวนี้ท่านเพียงสงสยัยหากไม่เข้าใจเอาเสียเลย นารีผลสองตนพากันหัวเราะชอบใจและตนหนึ่งก็อธิบายว่าอีกยี่สิบปีโลกมนุษย์จะนิยมใช้สำนวนนี้เพราะเราทันสมัยกว่าก็เลยใช้เสีกยกนคือเป็นสำนวนที่ใช้กับคนที่ขี้หลงขี้ลืมนะเจ้าค่ะอ้าวแล้วทำไมมาว่าหลวงพ่อบาปกรรมนะพวกเราขอขมาโทษเจ้าค่ะ สาวโสภาพากันคุกเข่าและกราบขอขมาท่านเอาละ่ะหลวงพ่อนำร่างไปให้เขาผ่าแล้วนะจะลงไปด้วยกันไหมไม่เจ้าค่ะเราเหม็นสาบมนุษย์อีกอย่างก็ไม่อยากเห็นร่างของเราถูกทำร้ายด้วยน้ำมือมนุษย์นิมมอลหลวงพ่อเถ้าเจ้าค่ะท่านพระครูจึงถือพานบรรจุธาริกาเท่าลงมาข้างล่างศาลยาแพทย์สองนายพากันผ่าตัดอย่างชำนิชนานาญ ตามกลางญาติโยมที่เฝ้าดูด้วยความพิศวงสงสัยโอ้โหเหมือนอวัยวะมนุษย์ทุกอย่างเลยแต่เล็กมากขอยืมแว่นขยายของหลวงพ่อส่องดูหน่อยนะครับม้อนหนุ่มพูดท่านพระครูจึงหยิบแว่นขยายส่งให้เขา ในแพทย์หนุ่มส่องดูอวัยวะภายในของนารีผลโดยผ่านแว่นขยายรู้สึกเหมือนได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ไม่เคยปรากฏว่ามีผู้ใดได้พบเห็นมาก่อนซากธาริกาเท่าที่ถูกผ่าออกโดยกรีดตั้งแต่ลำคอลงมาถึงช่องท้องนั้นเผยให้เห็นหัวใจเล็กๆตับไตไส้พุงซึ่งเหมือนของมนุษย์ทุกอย่างเพียงแต่กลิ่นหอมตลบอบอวล เหมือนที่ท่านพระครูพูดไว้ไม่ผิดแปลประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดเลยครับหลวงพอ่อนี่ผมไม่ได้ฝันไปนะครับสารยาแพทย์หนุ่มพูดอย่างตื่นเต้นลองผ่าอีกตัวดีไหมดูซิว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าหมออีกคนเสนอท่านท่านพระครูรีบห้ามว่าไม่ได้นะคุณหมอสัญญากันแล้วนี่ว่าจะผ่าร่างเดียว แต่ถ้าได้สองร่างก็ดีเหมือนกันนะครับหลวงพ่อจะได้รู้ว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันแต่อาตมาไม่อนุญาตถ้าคุณหมอพารับรองผิดใจกันเห็นท่าทางท่านเอาจริงคนเป็นหมอก็เลยไม่กล้าเซ้าซีพรุ่งนี้ผมจะพานักศึกษาแพทย์มาดูอยากให้พวกเขาได้มาเห็นเป็นขัญตาไม่น่าเชื่อว่าในโลกนี้จะมีอะไรแปลกประหลาดลึกลับซับซ้อนอยู่ นี่ถ้าผมไม่ได้มาเห็นกับตาเป็นไม่เชื่อเด็ดขาดแล้วถ้ามาเห็นกับยายคุณหมอจะเชื่อไหมละ่ะเห็นเขาไม่ผ่าอีกร่างหนึง่งท่านพระครูอารมณ์ดีขึ้นจึงพูดยวนคนเป็นหมอยายผมไม่รับจ้างทำงานใต้ดินหลายปีแล้วครับหมอหนุ่มยวนรับจ้างทำงานอะไรหรือและทำไมต้องไปทำใต้ดินด้วยละ่ะ สมภารวัดป่ามะม่วงไม่เข้าใจจำนวนยวนของคนต่างวัยจึงถามได้คำถามซื่อผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่ายายไปทํางานอะไรแล้วได้ค่าจ้างมากน้อยแค่ไหนเพราะตั้งแต่ยายไปก็ไม่เคยกลับมาบอกลูกหลานอีกเลยคําบอกเล่าของหมอหนุ่มทําให้ท่านพระครูรู้ว่าถูกผู้ครองเรือนอายุคลาวลูกของพี่สาวล้อเลียนเข้าให้แล้วจึงต้องแก้ลําหมอหนุ่มว่า แล้วคุณหมอไม่ได้ไปแจ้งความหรือคนหายทั้งคนทําไมถึงไม่ไปแจ้งความแจ้งเรียบร้อยแล้วครับแม่ให้ผมไปแจ้งที่อําเภอทางอําเภอเขาก็ให้ใบมรณบัตรมาใบหนึ่งครับหมอหนุ่มยังคงล้อเลียนพระภิกษุรูปหนึ่งเดินเข้ามานั่งอยู่ปลายแถวท่านพระครูมองไปเห็นพอดีจึงทักทายอ้าว ท่านพระครูมายังไงมีธุระอะไรหรือเปล่าไม่ได้เจอกันเสี้ยนานสบายดีรึแล้วนี่จะค้างหรือว่าจะกลับเลยท่านถามรวดเดียวสีข้อภิกษุอคันตุ ก, กะยังไม่ได้กันตอบท่านก็พูดอีกว่าเขามานั่งใกล้ๆหน่อยญาติโยมช่วยหลีกทางให้แขกอัตมาด้วยพระครูเอื้อนจึงต้องลุกขึ้นมานั่งข้างหน้าครั้นเห็นสิ่งที่อยู่ในพานก็ถามขึ้น อะไรครับหลวงพี่เอแ ก, กลิ่นอะไรหอมจังคงไม่ใช่ไอตัวที่อยู่ในพานนั่นหรอกนะครับผู้มาใหม่รู้สึกแปลกใจกลิ่นนารีผลในละจารหลวงพ่อนี่หมอเขเพิ่งผ่าดูข้างในป้าคนที่หมอหนุ่มแอบชมว่าน่ารักบอกพระครูเอื้อนนารีผลในเรื่องพระเวสสันดรน่ะหรือทำไมตัวเล็กนักแล้วก็มีเห็นสวยเหมือนกับพนานาไว้ในเรื่องเลย สงสัยจะเป็นของปลอมละมั่งหลวงพี่พิกษุอคันตุกะออกความเห็นท่านพระครูคร้านที่จะอธิบายจึงถามอีกว่าท่านยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยก็หลวงพี่เล่นถามทีเดียวต่างหลายข้อผมเลยตั้งรับไม่ทันพระครูเอื้อนตอบทำไมถึงไม่ทันละ่ะสมภารวัดป่ามะม่วงคิดว่าเถียงกับพระด้วยกันก็ยังดีกว่าเถียงกับคฤหัสโดยเฉพาะ หมอหนุ่มที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านผมไม่ทราบว่าจะตอบข้อไหนก่อนดีนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งผมก็จำคำถามไม่ได้แล้วหลวงพี่ถามที่ละข้อสิครับแสดงว่าความจำสัน้นท่านใช้สำนวนานารีผลอะไรนะครับความจำสั้นคืออะไรคราวนี้หมอหนุ่มรู้สึกทึ่งในถ้อยคำสำนวนของบรรพชิตคุณหมอไม่ทราบหรอกหรือ นี่เป็นสำนวนที่เขานิยมใช้กันในอนาคตนะอีกยี่สิบปีคนจะนิยมใช้สำนวนนี้ถ้าคุณหมอไม่เชื่ออัตมาพูดก็จดไม่ได้ถ้าไม่จริงอัตมายอมให้ปรับได้แก้ลํำคนเป็นหมอพอหอมปากหอมคอแล้วจึงพูดกับพระครูเอื้อนว่า ท่านมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าหรือว่าจะมาเยี่ยมเยียนกันธรรมดาธรรมดามีครับหลวงพี่ผมจะมาขอคําปรึกษาจากหลวงพี่ว่าผมจะแก้ปัญหานี้อย่างไรมันหนัก อ, อกหนักใจผมมาหลายวันแล้วปัญหาอะไรละ่ะเป็นความลับหรือเปล่าจะได้ไปคุยข้างบนคงไม่ลับหรอกครับผมอยากคุยข้างล่างแล้วก็อยากให้ญาติโยมเขาได้ฟังด้วย จะได้ไม่ทำอย่างโยมที่ทำกับผมโยมเขาทำอะไรกับท่านละ่ะและโยมผู้หญิงหรือโยมผู้ชายผู้ชายครับแต่ก็มีโยมผู้หญิงมาเกี่ยวข้องด้วยและทำให้ผมปวดหัวมาจนต้องขอคำแนะนำจากหลวงพี่ว่าผมจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคงไม่ใช่เรื่องชู้สาวนะจ้าหลวงพ่อลองได้มีผู้หญิงมาเกี่ยวมักจะหนีไม่พ้นเรื่องชู้สาว โยมผู้หญิงที่ฟันหลอพูดขึ้นหมอหนุ่มนึกชมคุณป้าที่ถามในเรื่องที่เขาเองก็อยากทราบไม่ใช่เรื่องชู้สาวหรอกโยมแต่มันหนักกว่าเรื่องชู้สาวอีกนะถ้าอย่างนั้นท่านก็เล่าได้แล้วผมอยากรู้คิดว่าอยากโยมก็คงอยากรู้เช่นกันใช่ไหมโยมท่านถามโยมผู้ชายที่นั่งถัดจากโยมผู้หญิงฟันหลอครับหลวงพ่อ ผมว่าเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดสําหรับพระไม่น่าจะมีเรื่องที่ร้ายแรงกว่านี้โยมผู้ชายตอบมีสิโยมอาตมากําลังจะเล่าให้ฟังอยู่นี่ไงเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับหลวงพี่ท่านหันไปพูดกับท่านพระครูแล้วจึงเล่าว่าเมื่อวันโกนที่ผ่านมาก็มีโยมผู้ชายคนหนึ่งขับรถมหาผมถีวัดถ่าทางเป็นคนมีเงิน เพราะขับรถเว้นมากับผู้หญิงสองคนเขาแต่งตัวดีชลครับหลวงพี่ผูนกนคไทใส่แววนเพชรเพชรเบล์ล์ไม่นึกเลยว่าจะทำกับผมได้ลงคอเขาทำอะไรท่านล่ะครับโยมผู้ชายอยากรู้เร็วเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆฟังอาตมาเล่าให้จบก่อนพระครูเอื้อนบอกเขาแล้วจึงเล่าต่อว่า ก่อเข้าแนะนําตัวกับอาตมาว่าเข้ามาจากกรุงเทพจะมาหาวัดที่จะสร้างศาลาฉลองอายุครบเจ็ดรอบให้แม่เขาและเขาก็แนะนํากับอาตมาว่าผู้หญิงสองคนที่มาด้วยคนนึงเป็นภรรยาส่วนคนแก่เป็นแม่เขาอาตมาเห็นว่าศาลาการประเรียนมันเก่ามากอายุร่วมร้อยปีแล้วอยากได้หลังใหม่ที่สร้างโดยปูนเหมือนวัดอื่นเ้าสร้างกัน ถ้าจะสร้างเรยไม้เหมือนของเดิมคงลำบากเพราะเดี๋ยวนี้ไม้หายากเนื่องจากคนสมัยนี้เขาขยันตัดไม้ทำลายป่ากันเลือกเกินแล้วเขตกปากรับคําว่าจะสร้างให้หลวงพ่อไหมคะพยาบาลสาวที่มากับหมอหนุ่มถามขึ้นเพราะนั่งฟังมานานแล้วตกลงสิโยมเขาบอกว่าจะสร้างศาลาราคาห้าล้านให้แต่อยากจะสร้างสักสองหลังจึงถามอาตมาว่า รู้จักวัดใกล้เคียงบ้างไหมอัตมาเลยบอกว่าไปอีกวัดหนึ่งซึ่งห่างจากวัดอัตมาไปสิบกิโลเมตรสมพานเป็นเพื่อนกับอัตมาเขาก็ดีใจว่าจะได้สร้างศาลาทีละสองหลังก็ถามทางอัตมาบอกว่าวัดนั้นไปยังไงอัตมาก็บอกทางให้เขาเขาก็บอกแม่แก่แล้วนั่งรถไปก่อกระเทือนขอฝากแม่ไว้ที่กุฏิก่อน เสร็จธุระแล้วจะกลับมารับอัตมาก็บอกไม่เป็นไรฝากไว้ได้เขาก็ขึ้นรถกับภรรยาทิ้งแม่ไว้กับอัตมาอัตมาก็ให้ลูกศิษย์เอาหมอนมาให้แกบอกว่าโยมง่วงนอนก็พักได้นะโยมแกก็ไม่ได้พูดว่าอะไรเสร็จแล้วอัตมาก็เขา้เขาห้องไปพักผ่อนนึกกระยิมยิ้มย่องว่าบุญหล่นทับอยู่ดีๆมีคนมาสั่งศาลาให้ราคาตงหล้าน อตาตมาก่อนนอนดีใจกระทั่งหลับไปตื่นขึ้นมาตอนเย็นออกมาดูโยมว่ามารับแม่ไปหรือยังเห็นแม่เขานอนหลับอยู่จนค่ำปรากฏว่าไม่มีวี่แววรถเบนแล่นมาจอดเลยนี่เวลาก็ผ่านไปหลายวันโยมคนนั้นก็ยังอยู่ที่กุฏิอาตมาก่็ดีแล้วนี่ท่านนึกว่าเข้าเอาแม่มาให้เลี้ยงท่านพระครูสัพพยอก มันก็น่าจะดีอย่างที่หลวงพี่พูดถ่ายโยมคนนั้นแกปกติเหมือนคนแกทั่วๆไปแต่นี่เกลเล่นพูดคนเดียวแถมบางเวลาก็ยิ้มคนเดียวซะอีกผมถึงต้องมาขอคำแนะนำจากหลวงพี่นี่ล่ะครับ